พิชิตส่งกันบ้านคดีนะสมถะมันจำเป็นอ่ะเหมือนมีดดาบสองคมใช้เป็นก็มีประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็ติดจะมีประโยชน์นะอยู่ที่เรารู้จักเลือกใช้จังหวะไหนควรจะทำสมถะก็ทำจังหวะไหนควรเจริญปัญญาก็ต้องจเจริญปัญญา ส่วนใหญ่ชอบไปทำแต่สมถะหวังว่าทำสมถะแล้วมันจะมีปัญญาไม่มีหรอกมัน <c oughs> ้าเดินปัญญารวดเลยนะมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็ใจไม่มีกําลังไม่มีแรงจะตัดก็มีปัญญาเลือกจังหวะในการเดินของเราดีแล้ววันนี้เป็นไง จริงๆนะไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้หรอกสติเป็นอนัตตามันมีเหตุมันก็เกิดใิจิตมันจำสภาวะที่มัได้มันต้องเกิดสติดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นแล้วแต่ค่อยเบาลงเบาลงภาวนาถูกต้องใจจะเบาบาย ใจเราไม่ชอบมันใจเราไม่ชอบไม่ชอบร่างกายที่เจ็บป่วยอยากให้หายป่วยนะพออยากให้หายป่วยความอยากเกิดถ้าความทุกข์ต้องเกิดแน่นอนนะให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันใช่ไหมก็คลายออกเดี๋ยวมันก็กลับมาอยากอีกเพราะอะไรเพราะมันรักกายมันรู้สึกกายนี้เป็นตัวเราเนะนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวค่อยผ่านไปคนนี้เคยมาไหม แล้วเคยฝึกมาแบบไหน ให้ได้สัมมาสมาธิจริงๆนะส่วนมากพวกเรารุนหลังๆข้าววัดป่าเนี่ยชอบไปทําวิชาสมาธินั่งแล้วเคลิ้มงอกแง๊กงอกแงกนะอย่างนั้นไม่ดีสัมมาสมาธิจริงๆรู้สึกมันต้องรู้สึกตัวไม่ขาดสติจิตจะรวมจิตจะสงบอะเนี่ยต้องรู้สึกอย่าให้ขาดสตินะให้รู้สึกตัวเรื่อยๆถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามา จิตใจถ้ามันสงบมากนั่งหลายวันนั่งกี่วันก็สงบลูกเดียวนะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยติดแต่ความสุขความสงบอย่างเดียวครูบาอาจารย์สอนให้ออกมารู้กายเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอนะไรเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาใครรู้ลงที่กายทําสมาธิแล้วรู้ลงที่กายรู้ไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะครรู้สึก รู้สึกตัวเป็นไหมอนี่ก็อยู่กับกระดูกไปการทำอธิกรรมฐานทำมรณะสตินะเป็นเรื่องของสมถะนะนี่พอทำสมถะแล้วเนี่ยสะแปจริงก็ เ, เกิดนิมิตแล้วเห็นกระดูกหรือยังเห็นกระดูกไหม ได้เรู้สึกไปนะรู้สึกไปเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเรกเป็นกระดูกเดินได้เนี่ยรู้สึกไปแล้วก็สังเกตอีกชั้นหนึ่งใจของเราเป็นคนดูรู้สึกไหมใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็เห็นไใ้กระดูกนี้มันเดินได้ทั้งวันยืนเดินนั่งนอนไปไม่ใช่ตัวเราทําความรู้สึกว่ากายนี้ทั้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ทําไป าดีแล้วล่ะทาไปอีกการเห็นกายนะถ้าเห็นกายถูกต้องก็จะเห็นจิตมีคนไหนเริ่มจะดูจิตถ้าดูถูกต้องก็จะเห็นกายถ้ากายกับจิตมันเหมือนเหรียญอันเดียวกันหยิบด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็ติดเข้ามาด้วยดังนั้นเราดูร่างกายเห็นเป็นกระดูกกระดูกเดินได้ใจเป็นคนดูเนี่ยพอแยากกายแยกใจได้ต่อไปจิตใจเราเกิดอะไรขึ้นมันก็รู้ก็เห็นเองนะอย่างที่ทามาก็ถูกต้อง่ะ รู้สึกไหมเหลือแล้วตอนนี้ <c oughs> รู้สึกไหมแค่รู้ทันนะเ <c oughs> ล่าไปเล่าต่อไป เฉพาะตัวนะครูบาอาจารย์บอกวิธีปฏิบัติให้ได้เราต้องเห็นด้วยตัวเราเองเราะฉนั้นธรรมะเนี่ยเรียนนะต้องเรียนอย่างเข้มแข็งนะเรียนแล้วอย่าไปติดอยู่กับครูบาอาจารย์หลายคนเลยเรียนแล้วก็ไปนั่งเคลิ้มเคลิมอยู่หน้าอาจารย์นะอย่างนั้นไม่ดีเราไปเรียนเอาหลักเรียนเอาหลักแล้วเราก็มารู้กายมารู้ใจของเราไปกายกับใจของเรานี่แหละคือครูที่แท้จริงคนอื่นสอนเราไม่ได้หรอกเราต้องดูจากของจริง รู้กายจริงๆเลยเนี่ยกายนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะอย่างการรู้กายมันก็มีหลายระดับเบื้องต้นเห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยนะเบื้องกลางก็เห็นมันเป็นธาตุเป็นขันธ์นะถ้าเบื้องปลายก็จะเห็นเป็นความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นเป็นลําดับลําดับไปดูออกไหมไม่ใช่ตัวใช่ตนเราไม่ชัดนะ ก็ตรงที่ชัดต้องผ้านักขาแล้วได้ผ้านักขาแล้วก็จิตชัดตรงนี้เห็นว่างว่างเปล่าจะรู้ใจดีแล้วทํามาดีแล้วนะดูจิตให้มันละเอียดรอบคอบอะไรแอบแฝงเข้ามาในจิตในใจนะคอยรู้ให้ทันอย่างขณะเนี้ยรู้สึกไหมลืมกายลืมใจนะอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการมีสติในชีวิตประจําวัน สติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวสติก็รู้รู้บ่อยๆส่วนใหญ่เราชอบหลงถ้าไม่หลงไปเลยก็บังคับตัวเองรู้สึกไหมตอนนี้จิตค่อนข้างไปทางบังคับตัวเองขึ้นมาแล้วดูออกไหมมีแข็งๆขึ้นมาแล้ว อนะดีที่รู้อันนี้มันเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติความจงใจจะปฏิบัติเนี่ตั้งขึ้นมา อ, อย่างนี้อย่ากลัวสิใจถึงถึงไว้ากิเลสไม่ได้มีไว้กลัวนะกิเลสมีไว้รู้ว่ากิเลสอยู่ในกองทุกข์อยกลัวมันนะกลัวมันก็ใจฟอเพั้นเห็นภัยในสังสรรารวัฏจะเห็นถูกต้องแลสมควรถูกต้องนะไย่าไปกลัวมัน เหมือนมันเป็นค่าศึกของเราเลยอย่าไปกลัวมันนะต้องกล้าหาญเผชิญหน้ากับมันอะไรความท้อแท้ในใจเกิดขึ้นหรือโลภพโวสะอะไรเกิดขึ้นน ะ, ะเผชิญกับมันอย่างใจแข็งแข็งเข้มแข็งไว้ไม่ใช่ไปเกลียดมันแต่ไม่ใช่คล้อยตามมันถ้าเรากลัวมันเราก็จะไปต่อต้านมันถ้าเราอ่อนแอเราก็จะถูกมันครอบงำคล้อยตามมัน เราฝึกไปนะจนใจเราเหมือนเรือลำใหญ่ๆที่ทอดสมออยู่ในน้ําเรือไม่ต้านน้ำนะเรือไม่ต้านน้ําน้ํำก็ทํำลายเรือไม่ได้จิตก็เหมือนกันอย่าไปต้านกิเลสกิเลสเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นมันจะไหลหผ่านไปเฉยๆไม่มีอํานาจทํำลายล้างถ้าเราคิดจะตอบสู้กับมันเนะีมันจะสู้กันดูเดือนสู้กันนานมันไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกให้คล้อยตามกิเลสนะกิเลสมาเนี่ยให้มันไหลหผ่านเราไป เหมือนน้ำมันไหลผ่านเรือไปกันนะทักปฏิบัติต้องกล้าหาญนะต้องกล้ากิเลสเป็นศัตรูไม่กลัวมันถ้ากลัวมันก็คือมันปิดกั้นโอกาสที่จะเกิดปัญญาของเรากิเลสเนี่ยจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยางานหน้าที่ของเราเมื่อตามองเห็นรูปกิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทัน กิเลส จ, จะกระเด็นออกไปไมันต่างคนต่างอยู่กับใจเราใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะฝึกไปเหมือนใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูโครงกระดูกนี้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในสุดต่อไปมันค่้ยๆมันแยกเอาความคิดออกไปเรื่อยๆเหลือแต่การรู้พอหมดความคิดเหลือแต่รู้อันเดียวเนะีจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะเกิดปัญญาก็ตัดชัดีแล้วทำมาก็ดีแล้วนะ ได้หลวงพ่อก็เคยถามหลวงปู่เทพแต่ก่อนเนี้ยหัดใหม่ๆจิตมันเที่ยว ร, รู้ออกไปข้างนอกเยอะอย่างความรู้สึกนึกคิดอะไรมากระทบนะใจมันก็รู้ที่รู้ข้างนอกอะสิ่งต่างๆมากระทบมนันกระเทือนโอ้ลำบากทั้งวันทั้งคืนไปถามปรับเรียนถามหลวงปุทเท์หลวงปู่ผมจะตายแล้วทำไง มันทุกข์นะออท่านยิ้มหวานเลยจิตมันยังไม่แก่กล้าพอทนไปหลายปีนะปาญพ้นในสิ่งที่มากระทบข้างนอกอะ่ะ ตอนนี้มันยังไม่ธรรมดารู้สึกไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ธรรมดาเออนั่นแหละตรงนั้นแหละคือปัญหาของคุณแหละการประคองนั่นแหละปิดกั้นปัญญาไว้มันแหยงกิเลสเงยมันกลัวง้วประคองคอยรักษานะเรากลายเป็นว่าเรารักษากิเลสไหมคือเรารักษาอะไรเรารักษาจิตใจนี้กลัวจิตใจนี้มันจะทุกข์ทำไมต้องรักษาเพราะจิตใจนี้คือตัวเราเรากลัวตัวเราจะทุกข์ใช่ไหม่นกิเลสนะ มันรักตัวเองเนี่ยถึงได้ประคองเอาไว้ไม่เคยรู้ทันนะใจถึงถึงนะใจถึงอย่าไปประคองไว้อย่างนี้ประคองไว้ปัญญาไม่เกิดเลยไปถนอมรักษากิเลสเลยอาจารย์มหาบัวสอนว่าปฏิบัติแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกอะ่ะเห็นไหมอย่าไปกลัวมันนะกลัวมันจนกระทั่งเราประคองไม่กล้าคล้ายๆกลัวนักเลงนะไม่กล้าออกจากบ้านอะ่ะออกไปเลยสู้กับมันตีกับมันแพ้หรือชนะก็ช่างมัน วันนี้หัวแตกกลับมาก็มาดูของเราใหม่แรงดีแล้วออกไปใหม่อย่า ก, กลัวนะแต่ถ้ากิเลสแรงมากจริงๆก็วิ่งเข้าหาครูบาอาจารย์ปลอดภัยไว้ก่อนนะดีแล้วอยู่กับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ก็พระดีกนะ็ดีที่สุดหงหนึ่งหละก็ดีแล้ว ให้อะไรนะอ๋ออือเออนะดูไ ป, น, ไปนี่ไปกลัวมันกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตตสังขารกุศลอกุศล ส, ส, สุขทุกข์กดีชั่วอะไรก็อีกอันหนึ่งนะแยกออกไปเรื่อยแยกออกไปส่วนเลยแต่ธาตุล้วนเดี๋ยวล้วนๆให้ฝึกไปดีแล้วล่ะทํามาได้ดีแล้วนะเป็นลูกมีพ่อมีแม่ดีแล้ว คนทําอนาถาไม่มีพ่อมีแม่ น, นึกนึกเอาเองสามเอาเองนึกเองทําเองไม่ได้นะเรามันสาวกภูมิรู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเนี่ยทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรนะหลงแล้วนะทีเนี้ยน่าคุณพร า, าดาเชิญพร า, าดาหรือพาลาดอนเอาพราดา คือถ้ายังเกลียดมั น, มนก็ไม่เลิกถ้าใจกังวล น, นะก็เห็นว่าใจเป็นกงนังวลเราไม่ได้กังวลกับใจเห็นรูปมันเคลื่อนไหวแล้วรูปมันเคลื่อนไหวแล้วเราไม่ได้เคลื่อนไหวไปกับรูปใจมันกังวลขึ้นมาใจมันกงนังวลเราไม่ได้กงังวลให้ดูไปเรื่อยๆดีแล้ว <3> <3> <3> อ้าคุณตูเป็นไง มันไม่เปลี่ยนเลยเหรอมันเที่ยงเหรอมันเที่ยงจริงเหรอรู้ตัวไปหลงละแล้วก็อยากจะหลับก็รีบๆหลับไปไม่ต้องทำอะไรนะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยทำเอา ทันทีที่ตื่นรู้สึกตัวดูรู้ทันร่างกายจิตใจเลยแล้วแต่จะถนัดะถ้าคนไหนถนัดรู้กายพอตื่นมาก็เห็นใ้ร่างกายนี้มันนอนอยู่ละเห็นรูปมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูคนไหนถนัดรู้จิตนลตื่นขึ้นมาก็รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเลยอย่างหลวงพ่อหัดใหม่ๆหลวงพ่อชอบดูจิตตื่นมาวันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงตื่นมาวันศุกร์ใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นบางวันมันก็รู้กาย มามัก็เห็นกายนี่มันนอนอยู่เนี่ยอริยาบทอะไรถ้าฝึกไปเรื่อยๆกลางคืนเวลานอนนะ่จะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยมันเห็นหมดอะ่ะรู้สึกหมดอะ่ะรู้สึกไหมกลางคืนนอนหลับอยู่ร่างกายจะกระดูกระดิกเลยมันรู้ไปเองอะ่ะคอรู้ไปมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมอยากพูดทราบไหม เออไม่ต้องถามสิดูไปที่ใจเรากิเลสเกิดแล้วอย่าละเลยนะกิเลสเกิดแล้วไม่ใช่เวลาที่จะไปตามใจมันอยากถามรู้ว่าอยากถามเลยใจถึงถึงนะเรียนธรรมะมาถามหลวงพ่ออีกอกี่กวันก็ไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกเรียนด้วยการดูของจริงเลยนะกายกับใจเราเนี่แหละเป็นครูสอนเราเอาให้ถามได้ ต้องอย่างงั้นแหละดีแล้วนะที่จริงก็มีแค่เกิดกับดับนั่นแหละดูไปนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไอ้ของดีๆเกิดดับนะต่อไปจะเห็นเลยที่เกิดดับมีแต่ทุกข์เกิดดับนะนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดดับหรอกดูไปดีแล้วล่ะนะเรามันลูกมีพ่อมีแม่อาศัยครูบาอาจารย์อยู่อย่างนั้นแนะ่ะดีแล้วได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางใจคนมันพร้อมจะออกนอกลู่นอกทางเสมอแหละดีแล้ว นั่นล่ะมากับกูออกพิชชาด้วยไนนอ่าส่งกันบ้านถูกต้องแล้วทำทาอยู่เนี่ยนะถูกต้องแ ล, ะละ้วล่ะดูบ่อยๆทีมนี้หมดนี้ยังทีมนี้ใหญ่นะคนเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทีมเดียว <c oughs> อ๋ออายุป <c oughs> ีปีแล้วสอนไว้บ้างยัง ฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆก็ตื่นเองแหละหาคนฟังแล้วหลับยากนะ <c oughs> ใครฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับนี่ต้องยกย่อง <c oughs> เมื่อกี้หลงแลรู้ไหมหลงไปคิด่อ่าว่ะ <c oughs> เออไม่เอานะ <c oughs> เป็นนักรู้นะไม่ใช่นักคิด วิธีจัดการก็คือไม่ใช่ห้ามตัวเองไม่ให้ไปคิดแต่พอใจมันไหลไปคิดให้รู้ว่าใจคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะคนในโลกนี้เอาแต่รู้เรื่องที่คิดไม่ยอมรู้ว่าใจกำลังลงไปคิดอยู่เนี่ยไปอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมว่าพอมันไปคิดเดี๋ยมันก็อยากพูดขึ้นมาพอมันไปคิดเดี๋ยวมันก็โลภขึ้นมาไปคิดเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมาพอไปคิดมันก็หลงไปเลยนี่กิเลสมันอยู่ตรงนี้แหละ หนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมห้ามไม่ได้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะห้ามไม่ให้ใจคิดนะจิตเป็นอนัตตาจิตเป็นของห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามแต่ว่าพอจิตนี้ไปคิดรีบรู้ไวๆ ว, ว่าจิตไปคิดนี่จะตื่นขึ้นมาจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งฉันเทศท่านสอนู้เทศสอนเร่งจิตกับใจ จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันสของเราเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจวนเวียนไปทั้งวันถามว่าเราจะห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้เราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวมันก็เป็นจิตผู้คิดผู้นึกเดี๋ยวก็เป็นใจผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นสลับไปสลับมาถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิด จิตมันจะหลงไปคิดจิตมันจะกรูกิเลสห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ไม่ได้นะมันจะเป็นจิตหรือมันจะเป็นใจมันก็ของไม่เที่ยงในสุดเห็นแต่ของว่าไม่เที่ยงหมดเลยเสมอกัาราะไม่ใช่ไปเกลียดว่าใจหลงไปคิดนะใจหลงไปคิดรีบรู้ไวไว้ก็ตื่นขึ้นมาแวบเดียวเขจะหลงไปคิดครั้งใหม่หลงไปคิดใหม่รู้อีกรู้อีกก็ตื่นอีกสลับไปอย่างเงี้ยถึงว่าหนึ่งปัญญามณจะแจ้งขึ้นมา จิตทุกอย่างเลยเกิดแล้วดับจิตทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราห้ามมันไม่ได้หรือก็ห้ามไม่ได้นะรู้สึกตัวรักษาไว้ก็ไม่ได้ดูไปจะเห็นความจริงดีละไม่ทามาหากินเนืออยู่แต่วัดหรือไง <c oughs> อยู่ในเรองปกติอ๋อ <c oughs> อ๋อนึกว่าไปอยู่วัดละ จ ร, จริงๆแล้วทุกคนก็อยู่คนเดียวเท่านั้นแหละอย่งจุดหนึ่งก็อยู่คนเดียวทุกคนแ่ะตายคนเดียวเนาะต้องสู้เอานะตัวอย่าไปกลัวน ะ, ก ล, วนะกลัวกิเลสอย่ากลัวมากจนกระทั้งประคองนิยอมให้มันขยับเลยกลัวประคองความรู้สึกเอาไว้ไม่ถูกนะให้รู้ทันนะรู้ทัน ประคองไว้รู้ทันนะคืนประคองไปเรื่อยๆกิเลสไม่ตายนะกิเลนยิ้มหวานเลยไอย้คนเนี้ยมันรักตัวเองมันกลัวตัวเองจะทุกข์เลยประคองเอาไว้ จงใจนะอย่าพยายามอย่าหาทางรู้อย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่เขาเป็นนะรู้ลูกเดียวนะคือเบื้องต้นะ่ะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบนี้มันเบื้องต้นเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงคือการทําสมถะนั่นเองแล้วเมื่อจิตของเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเรามารู้กายพอรู้กายชำนิชํานาญมันก็รู้จิตรู้กายก็รู้จิตนั่นแหละ แต่็จแ้วจะเห็นในกิเลสมันอยู่ที่จิตนี้กิเลสไม่ได้อยู่ที่กายสุขทุกข์อยู่ที่จิตนี้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปยังเกิดปัญญาเห็นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจีตเป็นของไม่เที่ยงจิตเป็นของบังคับไม่ได้อย่าไปฝึกบังคับนะถ้าฝึกบังคับยิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งแก่ก็ยิ่งบังคับเก่งให้ฝึกรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเรื่อยๆจนวันหนึ่งใจยอมรับเนี่ยใจมันอยากพูดเรื่อยๆดูออกไหม ให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะมนีไปคิดอีกแล้วใช่ไหมเป็นผู้คิดผู้นึกท่านอาจารย์ท่านบอกเหมือนกันเนื้ อ, อาาเออนั่นแหละอทำมาเมป็นคนละอันกันคนละระดับทรนะมาอยู่กับโลกก็เอาความคิดนี้แหละไปใช้ทรมาหากิน ไปใช้ในการดํารงชีวิตในเวลาที่ปฏิบัติธรรมนะี่ยอย่ามัวแต่เป็นนักคิดนักเขียนนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองคําว่าดูเนี่ยนะเป็นนักดูเหมือนเราดูหนังนะเป็นนักดูหนังไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่คนแต่งบทไม่ใช่ผู้กํากับด้วยไม่เข้าไปบังคับมันไม่ใช่นักวิจารณ์ด้วยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะทําตัวเป็นแค่นักดูนะ แล้วใจมันจะคอยไปวิจาร์เราก็ห้ามมันไม่ได้ก็รู้ทันใจมันจะคิดห้ามมันไม่ได้แต่รู้ทันว่ามันคิดนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมรู้ได้ๆรู้ได้ๆ